อ๋อถ้าหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็ต้องหมดนี่นะแล้วอย่างหนึ่งเหตุปัจจัยมาจากอะไรที่มีขันธาตุอจตนะมาจากวิชา ย, ยังไงตัณหากรรมยังไงเป็นต้นก็เริ่มเห็นเหตุปัจจัยแล้วเหตุปัจจัยเหล่านั้นไม่เที่ยงเป็นต้นแล้วตัวปีติปราโมทจากเที่ยงแต่ที่ไหนใครครวรเห็นด้วยความเป็นอนิจจารักษณะทุกขลักษณะและอนาาัตตาเหล่าน้เป็นตในตึกละชั้นลาครับนี่ไงสมาธิที่ในอรหันผลเกิดขึ้นเห็นไหมว่าผู้บรรยายเองขัดเกลาร์เสเอง แล้วบรรลุเองนี่กลุ่มที่สองอันนี้มากล่าวย่อยๆฟังว่าเออท่านฟังทำกันแล้วท่านบรรลุท่านแสดงทำกันแล้วท่านบรรลุว่าช่องทางการบรรลุมันมีมากท่านกล่าวไว้่ห้นี่กลุ่มที่สองส่วนกลุ่มที่สท่านก็สาธยายจะสาธยายบทที่เป็นคุณของพระเจ้าหรือพระธรรมนะ ที่ท่านจํา ม, มาทรงจํา ม, มาอย่างดีเบรเสร็จเหล่าเนี้ยคนที่ทรงจําพระธรรมมาแล้วอย่างดีนะเรียนมาอย่างดีแล้วเบื้องต้นทำกลางที่สุดเวาลาท่านสาธยายท่านทรงจำได้เหมือนสาธยายบอกว่าคำว่าอีทพีโสพระกวาโมปีเนะี่ยปิโยเดวามนุสสานงปิโยพระมานมุตตโมปิโยนาคาสุปันนานงปินินทรียางนามามมิหัง บอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดผู้เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้เป็นที่รักของสูงสุดของพระพรมทั้งหลายเป็นต้นผู้เป็นที่รักสูงสุดของหน้าของครุฑทั้งหลายแม้ข้าพเจ้าเองก็ขอนอบน้อมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้มีอินทรีย์สมบูรณ์หาบุคคลเปรียบม่ได้ พอนอบน้อมพระพุทธเจ้าสาธยายคุตธะคุณข้อไหนนะไล่ไปตามลำดับอย่างเงี้ยเธอกําลังสาธยายพระธรรมไปนู่นแหละอัตถะของพระธรรมมันชัดธรรมะก็ชัดทั้งเหตุทั้งผลปรากฏชัดขึ้นพอเด่นชัดในใจขึ้นมาไปเสร็จปราโมทเกิดปีติเกิดปัสสัานิเกิดความสุขเกิดอันและสมาธิเกิดอันนี้ก็เป็นช่องทางในการบรรลุถามว่าตัวอย่าง ตัวอย่างในพระธรรมของพระพุทธเจ้ามีเยอะไหมเยอะในคำฮีสังยุตท่านทั้งหลายไปเบิดดวยท่านจะเห็นว่าตัวอย่างเห็นการบรรลุภาษาธยายมีมีพระภิกษุอยู่รูปหนึ่งท่านสาธยายท่านก็สาธยายพระธรรมคือบางท่านเนี่ยสาธยายสูตรแต่ละสูตรท่านประทับใจที่ท่านต่างกันใช่ไหมบางท่านก็ประทับสาธยายย่อๆไปสาธยาย ท่านสาธยายเบ็ดเสร็จแล้วอยู่ต่อมาเนี่ยท่านก็กําหนดอันนี้จะลักษณะท่านกําหนดสองส่วนนะเพราะปราโมดปีตีปัะสิทธิความสุขสมาธิเกิดขึ้นกับท่านเบีดเสร็จนะต่อมาท่านก็กําหนดกําหนดเห็นความเสื่อมไปสิ้นไปของของเสียงของท่านเป็นต้นที่ดับไปแล้วเนี่ยในความไม่เที่ยงเวรทุกเป็นอนัตตาแล้วก็ปัจจัยที่ทําให้เสียงของท่านเกิดในการสาธยายเป็นต้นใช่ไหมก็คือน้ํามาทํานั่นเอง รูปธรรม ท, ทั้งหลายนามธรรม ท, ทั้งหลายที่เป็นปัจจัยการเปล่งวัจีเพียดออกมาหรือเปล่งวจาจามาด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นน้ำตาและสภาวัธรรมทั้งหลายกล่าวคือขันห้าเป็นต้นเหล่านั้นนะในที่สุดจริงท่านททงตลอดแล้วท่านก็ได้บรรลุพอบรรลุเบสเสร็จปุ๊บต่อมาท่านก็มีความสุขอยู่ในพระสมาบัติต่อมาเทวดาทั้งหลายก็ไปทวงท่านบอกว่าท่านสัตว์บุรุษแต่ก่อนท่านมาอยู่ไม่นานเลยท่านสาธยายทุกวันแต่ตอนนี้ท่านหยุดสาธยายพระธรมไป ทำไมท่านเลิกทํากิจของท่านเสแล้วพระกันก็ออกว่าตอนนี้เราได้ความสุขในพระสมาบัติเสแล้วจึงหยุดสาธยายก็บอกว่าขอให้ขอให้ท่านทํากิจต่อไปเถอะจะได้อนุเคราะห์เข้าไปเจ้าด้วยไอ้แม่เทวดาเราท่านทั้งหลายเคยคิดไหมว่าเราไปสวดมนต์กันแต่ละครั้งเพื่อจะได้เป็นปัจจัยแก็บโพธิญาณว่าเราจะต้องบรรลุให้ได้จากการสวดเนี่ย มีหลายคนก็บอกอดอมาม์บรรยายที่ไรลงลงร่องเดิมเลยเลยอดอมาม์ก็แลอยาถามบอกว่าเวลาสวดมนต์ธรรมวัตเช้าเปลี่ยนบทบ้างก็บอกเปลี่ยนบ้างบังรูปังอ น, นิจจังเวทนานิจจสัญญานิจาสัญญานิจะสังขารถามเปลี่ยนบ้างไหมบอกไม่เปลี่ยนก็อาะทาไมไม่เปลี่ยนแล้วแล้วจําได้หรือ ย, ยังหมกยังแลโอ้ตาย บอกว่าอย่าฟังด้วยตัณหาอาตมาต้องการให้ท่านฟังด้วยปัญญาและฟังเพื่อการขัดเกลาให้คิดว่าในขณะที่มาฟังในะท่านกำลังปฏิบัติธรรมกันนะถ้าอาตมาคิดบอกว่าอาตมาจะมาเทศเพื่อให้มีชื่อเสียงเพื่อให้มีคนรู้จักอาตมาจะไม่ยอมมาหรอกอาตมาจะนั่งอยู่ที่วัดดีกว่ากิเลสยังเกิดน้อยกว่าอาตมาคิดว่าอาตมามาปฏิบัติธรรม เพราะการเทศคือการปฏิบัติการฟังคือการปฏิบัติการสาธยายคือการปฏิบัติและการตรึกในข้อที่สี่นี่คือการตรึกว่าทำคือเรียนมาเข้าใจมาเป็นอย่างดีแล้วทรงจำมาดีแล้วแล้วก็มาตรึกตามตรองตามในขณะที่ตรึกตามตรองตามนั่นแหละตามเพ่งด้วยใจนั่นแหละก็อัตถะก็ปรากฏธรรมะก็ปรากฏ เพราะอัฏฐธรรมะปรากฏปราโมดปีติปสัสสทธิความสุขเห็นไหมนี่ก็คือสมาธินี่ก็คือช่องทางแห่งวิมุตตา ย, ยตนะข้อที่4ที่กล่าวมาเนี้ยทั้ง4ข้อเนี้ยชาวพุทธในประเทศไทยละเลยต้องใช้คำว่างั้นละเลยละเลยการปฏิบัติ4วิธีนี้ ซึ่งเป็นช่องทางที่บรรลุได้มากที่สุดด้วยต้องไปดูในพระไตรีิฎกเราจะเห็นบรรลุได้มากที่สุดด้วนีจะทำยังไงเมื่อชาวพุทธมีความเข้าใจแบบนี้ซะแล้วเข้าใจแบบว่ามีช่องทางเดียวเท่านั้นเหตุแห่งเหการบรรลุคือคือบริหารกรรมฐานสาส เ่าท่านทั้งหลายต้องกระจายความเข้าใจให้ชัดว่าจริงๆไม่ใช่เคียงแค่นั้นฉะนั้นในในข้อที่ห้าในข้อที่ห้าก็คือเกี่ยวในเรื่องของการวิบริกรรมฐานสามสิบแปดเมื่อศึกษาทรงจําเล่าเรียนมาอย่างดีเบียเ็จแล้วก็หลีกเล่นใครคนเห็นไหมว่าช่องทางการที่จะเข้าถึงวิมุตตายาตนาทั้งห้าประการนั้นน่ะไปเชื่อมโยงว่าทีนี้ พอไปเชื่อมโยงในการที่จะเป็นปัจจัยการบรรลุเก่าการแทงตลอดเป็นต้นได้นั้นเราท่านทั้งหลายว่าการตั้งอัธยาศัยในการบังว่าธรรมของพระบรมศ า, ศาสดาเนี่ยเราตั้งอัธยาศัยกันในลักษณะอย่างไรเราคิดไหมว่าการเราเรียนทรงจำวราธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละบทแต่ละพญานนะันนานั้นคือปัจจัยกี่กับบรรลุจริงๆแล้วถ้าหากว่าท่านทั้งหลายไ ป, พ, ไปพิจารณาไปใคร่ครวรจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปัจจัยการบรรลุได้มีคนหนึ่งเขาเล่าอย่าจมาฟังก็ว่าไงรู้ไหมเขาไม่เคยคิดอยากจะเลิกเลิกเล่าเลย ทั้ในชีวิตของเขาเนี่ยกินเหล้ามาทั้งชีวิตกินมาเนี่ยกินมาติดจนถึงขนาดว่าถ้าใครเปิดขวดเบียร์ปุ๊บเนี่ยน้ําลายจะออกทันทีเลยเก็เติดขนาดนั้นเลยนเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งมีอมยู่วันหนึ่งอันมาพูดเรื่องทางโลกไอ้บางเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งเ้าเขาบอกอจะทํำยังไงก็จะเลิกได้เขาไม่ได้คิดนานเลยเนยพะพออยู่ต่อมาเขาก็ไปบอกเอาละเราจะหยุดเลยหยุดเบสเซตันก็เขาก็ไปนั่งคิดไม่คิดคุณของมานนะคิดโทษอย่างเดียว ไปคิดโทษของเล่าอย่างเดียวมีไม่ดียังไงใช่ไหมใหม่ๆมันแค่จําแหละเรื่องโทษเนี่ยมันจําได้ว่าโทษของมันก็คือทําให้เกิดโรคยังไงทอนกําลังปัญญายังไงก็บ่าไปทําให้สุขภาพเสื่อมโทมยังไงทําให้ครอบครัวแตกแยกยังไงก็เริ่มจากจํานี่แหละเอาไปคิดคิดคิดคิดคิดอ้าววันที่หนึ่งคิดง่ายเพราะคิดคิดจนเห็นจริงๆเลยไม่ถึงสามวันก็เดี๋ยวเนี้คิด นึกก็ยนึกอยากกินยังไม่ไม่นึกเลยเห็นไหมนี่ปัญหาว่าที่เราก็ได้มุมแล้วว่าอะไรเป็นปัจจัยในการเราศึกษาว่ารมแล้วเราเราเข้าใจไม่ได้อะไรเป็นปัจจัยแก่การทําให้เราไม่เบื่อไหนในสงสารเราบ้าเพราะเราฟังแต่เราขาดการคิดขาดการใคร่ควรขาดการพิจรารณาขาดการอาวิตรึกมันขาดจริงๆ นั้นประขาดตรงเนี้ถามว่าจะเห็นโทษของสังสารวัตรได้อย่างไรแล้้วถากรณีบางคนบอกจเจริญพุทธคุณไม่ได้ถ้าจเจริญพุทธคุณแบบพุทธโธพุทธโธงี้ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทได้แต่ถ้าจะเจริญแบบเป็นลําดับบอกว่าพระบรมศ า, าสดาเนี่ยอิติปิโสพระกวาแม้เพราะเหตุนะแม้เพราะเหตุแห่งบารมียกตัวอย่างเช่นคําว่าบารมีที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงที่บอกว่า ธาณาปรมีสีลาปรมีเนี่ยเป็นต้นเหล่านี้นะถามบอกว่าในด้านของปรมีเนี่ยที่ท่านบอกว่ามินตาทสาัสสะปทาปัญจามินตาทัสปทาปัญจาปัญญาสวรณารังกาตาปเรตาเยนโสโรเกอคัปุกครตังคโตนี่ปรมีมีสิบนะปรมีมีสิบ มินตาทัสสปดาปัญจาปัญญาสวรรณลังกตาปุริตาเยนะโสโรกะอาคาปุขระตังขโดบอกว่าบอกบารมีสิปการเนี่ยนะมีทานบารมีศีลบารมีเป็นต้นที่นี้ในบารมีทั้งสิประการบอกทานาบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีนะเวียบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอัต ทิฏฐานบารามีนะแล้วก็เมตตาบารามีเวขาบารามีถ้าอ่านเป็นภาษาบาลีเขาเรียกอ่านเป็นเมตตาปารามีเป็นตัวนี้ยนะฐานบารามีเนี่ยในบารามีทั้ง10ประการเหล่านี้ท่านนเป็นตัวอักษรแล้วมีอยู่ห้หตัวอักษรนับไปแต่ละตัวเลยแต่ดูเลยไม่นั่งไ ล, ล่รับนับลำดับหรือท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านนัดกันไว้ทีนี้คําว่าบารามีหรือปารามีเนี่ย แปลกันมาก็แปลคุณสมบัติทําให้ถึงฝั่งกาวคือพระนิพพานนี่คุณสมบัติที่ทําให้ถึงฝั่งกล่าวคือพระนิพพานเนี่ยหรือคุณสมบัติที่ทําให้เต็มบ้างแต่ตามในยะทางภาษาศัพท์ท่านแปลว่าคุณสมบัติอันเป็นเหตุให้ถึงบรมธรรมคุณสมบัติอันเป็นเหตุถึงบรมธรรมถามบอกว่าคุณสมบัติอันเป็นเหตุให้ถึงบรมธรรมก็คือหมายความว่าชีวิตแต่ละชีวิต กระแสต้องขันท่าอายตนะที่กําลังมันเดินไปในสังสารวัฏนี่เขาเรียกชีวิตแต่ละชีวิตเราท่านทั้งหลายที่มานั่งนั่งกันอยู่เนี่ยมีชีวิตแต่ละชีวิตและในแต่ละชีวิตเนี่ยมันเดินทุกวินาทีมันไม่เคยหยุดตัวเลยขันท่าอายตนะไม่เคยหยุดนิ่งมันก็เดินมันอยู่ในสังสารวัฏมันเดินอยู่อย่างเงี้ยที่จุดสูงสุดอยู่จุดหนึ่งก็คือประมะจุดสูงสุดของชีวิตเนี่ยนะ ปรมาในที่นั้นคือพระนิพพานพระพุทธเจ้าตรัสว่านิพพานังบ ร, รมังสุขังบอกว่าพระพุทธเจ้าผู้รู้ทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่านิพพานเป็นบรมเป็นบรมธรรมเป็นธรรมที่สูงสุดเพราะเป็นตัวที่ทําให้ชีวิตนั้นหยุดเดินถ้าไม่ถึงบรมธรรมไม่ถึงพระนิพพานแล้วชีวิตจะไม่หยุดเดินฉะนั้นบารมิหรือบารมีเนี่ยท่านจึงแปลว่าคุณสมบัติอันเป็นเหตุถึงบรมธรรม การที่เราท่านทั้งหลายมาฟังธรรมเนี่ยเรากำลังมาเดินบา ร, รมีหรือมาสร้างบา ร, รมีที่เราเรียกกันนี่แหละบางท่านมาเนี่ยมาฟังธรรมบางท่านก็ได้ทั้งทานบา ร, รมีได้ทั้งศีลบา ร, รมีได้ทั้งเลขธรรมะได้ทั้งปัญญาได้ทั้งเวริยะได้ทั้งขันติสัจจะอธิฐ า, านะแล้วก็อุเบกขาบา ร, รมีบางท่านก็ได้ครบบ้างไม่ครบบ้างเนี่ยนะแต่ที่สุดจริงๆก็คือมามาเนี่ย สร้างบารมีเพื่อเพื่อเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ถึงอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยถึงบรุษธรรมก้าวคือพระนิพพานโดยสรุปก็คือว่าสัมมาสัมโพธิญาณก็ต้องเดินสร้างบารมีปัจเจกโพธิญาณก็ต้องเดินต้องสร้างบารมีแม้สาวกกับโพธิญาณก็ต้องเดินต้องสร้างบารมีอาะมันเกี่ยวข้องยังไงถ้าหมายความว่าการสร้างบารมีนั้ น, น, นสร้างไปเพื่ออะไร ก็หมายความว่าบุคคลที่จะดําเนินชีวิตเนี่ยนะให้ถึงบรมธรรมได้นั้นน่ะจะต้องสร้างพื้นฐานให้ตนให้เหมาะสมที่จะรองรับบรมธรรมถามว่าเราจะสร้างพื้นฐานให้แก่ตนให้เหมาะสมในการที่จะรองรับบรมธรรมนั้นต้องสร้างอะไรเขาบอกสร้างอัธยาศัยหรืออัชชาสยะคืออัธยาศัยที่จะรองรับบรมธรรมเนี่ยนะท่านจัดไว้6ประการ6ประการก็คืออโรภัฒชาสยะ ก็คืออัธยาศัยที่ไม่โลภอัโทสัจชาสยะก็คืออัธยาศัยที่ไม่โกรธอโมหัตชาสยะก็คืออัธยาศัยที่ไม่หลงเนคขมัตชาสยะคืออัธยาศัยในการที่จะเปรีกตนออกจากวัตถุกรรมและกิเลสกรรมนิสรณัตชาสยะก็คืออัธยาศัยในการที่จะสลัดออกจากภพสลัดออกจากวัตะแล้วก็ปะวิเวกัตชาสยะก็คืออัธยาศัยในการที่จะสงบบาประธรรมทั้งหลายเป็นต้น ฉะนั้นท่านที่สมบูรณ์ด้วยอัธยาศัยนี่นะอย่างสูงสุดเขาเรียกพระพุทธเจ้ารองลงมาเขาเรียกปัจเจกพุทธเจ้ารองมาเรื่อยๆก็ เ, เรียกว่าอัคระสาวกพระรหันเล็งวาไมปมตามลําดับเห็นไหมว่าอัธยาศัยเหล่านี้ต้องขัดเกลาต้องเป็นฐานรองรับบรมธรรมคืออนุปาทาปานิพานเนะี่ยสูงสุดนะ ทีนี้เราจะขัดเก่าอัจฉาิยะหรืออัธยาศัยเนี่ยทั้งหกประการนี้เนี่ยได้อย่างไรจึงจำเป็นต้องมีพื้นฐานในการที่จะรองรับบ ร, รมธรรมดังที่ได้กล่าวใช่แม้นยังบกพ้่องอยู่ก็ไม่มีทางที่จะบรรลุ บ, บุ ร, รมธรรมได้หมายความว่าบกพ้่องระดับแต่และระดับนะถ้าสมมุติจะเป็นพระสัมมาสมมัมพุทธเจ้าถ้าอัธยาศัยบกพ้่องอัธยาศัยระดับจะเป็นพระเจ้าบกพ้อง คุณก็ยังเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ถ้าจะเป็นพระประเจกพะพุทธเจ้าถ้าอัธยาศัยหประการบกพร่องโดยฐานะที่จะรองรับปเจกพอดิญญาคุณก็ยังเป็นปเจกพอิญาณไม่ได้ถ้าจะเป็นอัคระสาวกซ้ายขวาอัธยาศัยทั้ง6กก็ต้องเหมาะสมและรองรับแก่แก่บรมธรรมระดับของท่านได้ฉะนั้นระดับแต่ละระดับของอัธยาศัยจึงไม่เท่ากัน ท่านทั้งหลายตั้งไว้หรือยังว่าจะขัดเกลาอัตฉริยะสัยด้วยบารมีทั้งหลายเนี่ยได้ตั้งไว้หรือยังถ้าชีวิตที่ผ่านมาไม่ได้ตั้งต้องรีบตั้งณวินาทีนี้ไม่ใช่ไปวิไปตั้งวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้วินาทีนี้มันก็สายมาตั้งนานแล้วไม่ต้องพูดถึงพรุ่งนี้แม้จะตั้งวินาทีนี้มันยังสายไปตั้งนานแล้วแล้วได้เคยคิดตั้งหรือยังว่าจะขัดเกลาอัจฉิยาศายเพื่อตั้งบุรมษธรรม ทีนี้ถ้าบกนั่นจะต้องสร้างอัธยาศัยตามแนวเดิมที่ได้กล่าวที่ถามบอกว่าอะไรล่ะเป็นปัจจัยในการจะสร้างอัธยาศัยคือการบําเพ็ญบารมีสิบในการบําเพ็ญบารมีทั้ง10ประการนั้นขัดเก่าอัธยาศัยจะช่วยส่งเสริมอัธยาศัยทั้งหก็หมายความว่าทานบารมีนั้นสร้างอะโรพาธยาศัยก็ อ, อัธยาศัยที่ไม่โลภศีลบารมี ขันติบา ร, รมีเมตตาบา ร, รมีเนี่ยสร้างอาโทสัตยายาใสคืออัธยาศัยที่ไม่โกรธโทสะต้องใช้หลายตัวหน่โทสะงุดงิดบ่อยไหมบ่อยใช่ไหมต้องใช้ใช้อะไรหลายตัวช่วยกันเอาศีลมาขัดเกาเอาขันติเอาเมตตาใช่ไหมแต่ไม่ใช่แค่จําเอาไปคิดเอาไปตรึกเอาไปใคร่ครวญให้ภาวนาปรากฏในใจ ให้เกิดบ่อยๆมถึงจะขัดเกลีฟังแค่นี้ ข, ขัดเกลีได้นิดหน่อยแต่ถ้าคนที่เขาขัดเกลีมาอย่างยาวนานแล้วฟังแค่นี้ก็ไปแล้วเขาเรียบร้อยแล้วนี่เราก็ต้องมาดูว่าเออถ้าอย่างเราฟังแล้วมันยัง อ, อีกเป็นยังไงฮะก็ขนาดฟังมันยังไม่ค่อยเข้าใจแล้วใช่ไหมก็มันมีปัญหาแล้วทั้งนั้นเนี่ย อาทยาศัยที่สร้างมาเริ่มมีปัญหาแล้วให้รู้อย่าน้อยใจให้นึกเขาไว้ว่ า, วาหลายแสนชาติเคยทรงว่าไตรปิดกมาแล้วให้นึกอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ลืมอีกเดี๋ยวมันก็ลืมอีกแล้วก็ต้องมาสร้างใหม่กันอยู่นี่แหละนี่ไงโทษของการอยากอยู่ในวัฏฏ์ดีนะต้องพูดอย่างนั้นนะนะอาตมาเคยทำหนีตัวเองตอนเจ็บปวดบอกว่านี่ไงชอบดีนะ มาเขถามตัวยอย่างนี้เห็นชอบไหมเนี่ยตอนที่เขาผ่าตัดนี่ชอบไหมตอนเขาเาเข็มมาแทงว่าชอบไหมตอนเขามาเจาะนี่ชอบไหมเขาบอกไม่ชอบอ่าแล้วคุณชอบว่าตากไหมมาชอบอ่าชอบว่าตากแล้วคุณไม่ชอบอย่างนี้ไม่ได้อันนี้มันคู่กับว่าตาทําไมคุณว ค, คุณต้องย้อมรักกับมันก็ <c oughs> ต้องสอนเรียกเขาดีๆเนอะเร่งเรียกคุณด้วยว่าก็แรงเขาโกรธเราอยู่เห็นไหมถ้าอย่างเนี้ย สีละบารมีขัดเกาขันศีลขันติแล้วก็เมตตาเพราะให้สังเกตดูนะว่าตอนที่พระโพธิสัตว์ต้องอดทนตอนที่พระโพธิสัตว์ต้องเมตตาทำยังไงไม่ให้โทสะเกิดแม้แต่นิดไม่ให้ความขัดเคืองเกิดแม้แต่น้อยท่านทำยังไงท่านต้องขัดเกามาอย่างยาวนานเอาเราท่านทั้งหลายลองไปคิดไปตรึกไปคร่ควรไป วิจัยให้ดีๆว่าศีลขันติเมตตาอย่างเราๆบางทีอะบางทีเนี่ยใช้บรารมีสามตัวเดี๋ยวดี๋ยแพ้โทสะตัวเดียวคิดถึงศีลก็แล้วเอาเมตตก็แล้วขันติก็แล้วในส่วนจริงเราก็กลายเป็นผู้แพ้อยู่เลยนั่นบ่งบอกอะไรเราอัจยาสายบรารมีเหล่านี้เราอ่อนมากให้รู้ตัวว่าเราอ่อนเมื่ออ่อนอย่างนี้จะไว้ใจได้อย่างไร เมื่อมันอ่อนอย่างนี้จะไว้ใจได้ยังไงก็โทสะมันยังเล่นงานอยู่ทุกวันความหงุดหงิดยังเล่นงานอยู่ทุกวันคอยความน้อยเนื้อต่ําใจยังเล่นงานอยู่ทุกวันอันนี้บ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงว่าศีลไม่ดีบ่งบอกถึงว่าเมตตาไม่ดีขันติไม่ดีไม่ใช่ตัวศีลขันติเมตตาเขาไม่ดีนะแต่เกิดในใจเราไม่ได้แข็งแรงของเข้าดีบรารมีเหล่านี้ดีอยู่แล้วแต่ว่าเราให้ประชุมในกระแสขันเราได้น้อยมาก เราไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สามารถจะเรียกบา ร, รมีเหล่านี้เข้ามาสู่ขันธาตุยตนะได้เลยทั้งๆที่มันเป็นคุณธรรมที่เคยเกิดในใจเราแล้วแต่เราฟื้นให้มันเกิดไม่ได้เราให้อาหารให้ให้บา ร, รมีธรรมเหล่านี้เกิดไม่ได้อันนั้นเ้าเรียกว่าปัจจัยบกพร่อง การใส่ใจน้อยตั้งโยนิโสมนสิการน้อยการพิจารณาน้อยการไข่ควรน้อยการเห็นโทษของโทสะน้อยการเห็นคุณของขันติของเมตตาของศีนน้อยอเงี้ยแล้วก็ต้องไปวิจัยดูแล้วมันจะเห็นว่ามันเป็นยังงั้นจริงๆของเหล่านี้มันต้องเอาไปไข่ควรไปพิจารณาไปวิจัยไปสอบถัสรวนดูแล้วมันจะเห็นชัดว่าอะไรเกิดขึ้นใช่ัหมถ้างั้นมันดึงตัวเองไม่ได้มันดึงตัวเองออกไม่ได้ แล้วในที่สุดจริงๆมันก็ดึงถอนตนเองออกจากลมเก่าคือวัตตาเป็นต้นไม่ได้ปัญญาบารมีก็ขัดอะไรอมโมหัตยาใสาถ า, ามว่าอโมหัตยาใสาเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มของมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดทั้งหลายถ้าไปดูในบางสูตรเนี่ยท่านบอกว่ารู้จักมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิรู้จักสมาธิธว่าเป็นสมา ธ, ธิความรู้ของเธอนั่นเป็นสมาธิธ รู้จักสัมมาสังกปะว่าเป็นสัมมาสังกปะรู้จกักมิจฉาสังกประว่าเป็นมิจฉาสังกปะความรู้ของเธอจึงเป็นสัมมาทิฏฐิรู้จักสัมมาวาจาว่าเป็นสัมมาวาจารู้จักมิจฉาวาจาว่าเป็นมิจฉาวาจาความรู้ของเธอถึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นไหมรู้จักมิจฉากรรมันตาว่าเป็นมิจฉากรรมันตสัมมากรรมันตาว่าเป็นสัมมากรรมันตะความรู้อันนั้นจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิรู้จักสัมมาอชีวะว่าเป็นสัมมาอชีวะ มิจฉาอาชีวะว่าเป็นมิจฉ า, าชีวะความรู้นั้นจึงจะเป็นมิสมาธิทิเห็นไหมรู้จกักสัมมาวายมะมิจฉาวายมะว่าอะไรเป็นสัมมาวายมะอะไรเป็นมิจฉาวายมะความรู้ความเข้าใจนั้นจึงจะเป็นสมาธิทีรู้จักสัมมาสติแล้วก็มิจฉาสติเข้าไปวิจัยรู้ได้เลยว่าอันนี้คือมิจฉาสตินะนี่คือสัมมาสตินะไอความรู้ความเข้าใจทะลุทะลวงตรงนั้นจึงจะเป็นสมาธิ รู้จักสมาธิสมาสมาธิแล้วก็มิจฉาสมาธิว่าอันนี้เป็นมิจฉาสมาธิอันนี้เป็นสมาสมาธิความรู้ความเข้าใจอันนี้ถึงจะเป็นสมาธิที่ถามว่าฟังทำเนี่ยเดินสมาธิที่ได้ไหมทีนี้เอาเวลาจะเวลาจะขับดีดขยืนเคลื่อนกายแต่ละครั้งเนี่ยกายกรรมทั้งหลายที่กําลังเคลื่อนไหวไปเกี่ยวข้องกันใช่ไหมอะไรคือมิจฉากรรมต่าง อะไรคือสัมมากัมมันตะปัญญาวิจัยได้จริงหรือนี่ต้องต้องไปดูใช่ไหมเออถ้าการกระทําลักษณะเนี้ยการเอื้อมมือไปแบบนี้เรียกว่าเข้าใจผิดนะถ้ากเอื้อมไปอย่างนี้ถึงเข้าใจถูกไงหรือการทําสิ่งนี้ถึงถึงเป็นสัมมารกรมมันตะอันนี้ถึงเป็นมิจฉารกรมมันตะนี้ถ้าไปเข้าใจทะลุทะลวงอันนั้นได้อันนั้นก็เรียกว่าสมาธิที่เกิดขึ้นจริงๆทํามว่าในชีวิตจริงจะให้เกิดยังไง เอาฟังธรรมใช่ไหมยกฟังธรรมเนี่ยอ๊ฟังธรรมยังไงถามว่าในขณะที่ฟังธรรมไปแล้วเกิดความหงุดหงิดไปตรงนั้นเป็นสมาธิหรือสมาธิหรือมิจฉาทิฏฐิเกิดเห็นผิดอะไรจังนะฟังแล้วง่วงด้วยเอาอะไรเดี๋ยวนี้ฟังแล้วง่วงด้วยเป็นสมาธิหรือมิจฉาทิฏฐิ มิจฉาทิถีเป็นธรรมที่ควรละหรือควรจเจริญ ร, รู้ตอบกันก็ได้แล้วให้เกิดทำไมให้เกิดทำไมในขณะฟังธรรมไมเกิดทำไมอันนี้นีควรละใช่ไหมทีนี้จะละยังไงอ่าจะละยังไง <c oughs> เขาบอกว่าวิจัยโดยโดยโดยการไม่หลง แล้ววิจัยก็โดยวิจัโยโดยการเอามาวิจัยให้เห็นว่าจริงๆริงมิจฉาทิฏฐิหรือความมิ่นผิดทั้งหลายหรือความง่วงทั้งหลายต่างๆเหล่าเนี้ยแท้จริ ง, รรร ง, งเป็นสภาวะต่างๆเหล่าเนี้ก็เห็นหนึ่งปัจจารลักษณะของเขาสองสามัญญลักษณะของเขาท่านให้วิจัยอย่างนั้นเลยนะโดยเฉพาะปัจจารนะลักษณะคือลักษณะลักษณประยุท์ประธานประธานของเขาแล้วก็เห็นสามัญญลักษณะของเขาว่ามิจฉาทิฏฐินั้นก็เป็นธรรมาที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาใช่ไหม ไม่ใช่ไปเห็นเขาไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนนนาตาก็ดีแล้วเดี๋ยวเขาเกิดเดี๋ยวก็ดับถ้าไปเข้าใจงี้ถูกไหยถ้าจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปเถอะเดี๋ยวมันก็ดับอย่างนี้ไม่ได้เลยอันนี้แปลไม่เข้าใจนั่นเลยเช่นวันวัาจะโกรธนะอยากจะพูดพูดพูดพู ด, พ ด, พดไปเลยเงี้ยก็กล่าวว่าจีตุจิตไปเรืเ่อยเรืเ่ืืกล่าวไปจนกว่าจะเหนื่อยเหนื่อยเดี๋ยวมันก็ดับเองเงี้ยไอ้ความเข้าใจแบบเนี้ยแล้วเป็นอย่างนั้นจริงจริงนะเขบอกว่าเออถ้าโกรธก็ระบายระบายเดี๋ยวหายโกรธเองเนี้ย ถามไอ้ความเข้าใจอย่างนี้เป็นสมาธิทิถิหรือมิจฉาทิถีแล้วมิจฉาทิถีเหล่านี้มันต้องรีบละมันต้องรีบละแล้วต้องละเดี๋ยวนั้นไม่ใช่รอเวลาละอย่าไปสมาทานอย่าไปคิดว่ามันดีไอ้ความสมาทานก็คือไปคิดว่ามันดีคิดว่าอย่างนี้สะใจอย่างนี้ต่อสู้เข้าได้อย่างนี้อยู่ในสังคมได้อย่างนี้จะสามารถที่จะต่อกรกับคนอื่นได้ถ้าเรามีปากต่อปากฟันต่อฟันลิ้นต่อลิ้นอะไรเงี้ยนะ ถ้าเราไม่ใช้อย่างนี้เราจะอยู่ในสังคมก็ไม่ได้เงี้ยไอ้ความคิดลักขนา น, นี้เป็นวิจารณิสติเนี้ยก็หัดวิจัยไปนี่คือรายละเอียดนี่คือรายละเอียดประเด็นก็คือกรณีที่เราฟังทำใช่ไหมฟังทำเนี่ยเขาเดินเดินสมาธิถี่ได้ทีนี้ในในในในคำสอนที่บอกว่าในทานนบ ร, รมีสร้าง อโลภัทยาัยคืออัจฉริยะใสาที่ไม่โลภศีลบารมีขันติบารมีเมตตาบารมีก็สร้างอโทสัจยาัยคืออัจฉริยะใสาที่ไม่โกรธไม่เครียดเป็นต้นปัญญาบารมีก็สร้างอมโมหัตญาัยคือกลุ่มโมหะจิตทั้งหลายนะจิตที่มีความมืดมนอนทการ design, ไม่เห็นความจริงของสังสารวัฏไม่เห็นความจริงของกระแสคือไม่เข้าใจกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิไม่เข้าใจวิปัสนาสัมมาทิฏฐิไม่เข้าใจฌานาสัมมาทิฏฐิมรรคสัมมาทิฏฐิผลสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเนี่ย กลุ่มที่ไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายคือกลุ่มโมหะหมดเลยเขาไม่เข้าใจเยอะถ้าไม่เข้าใจเนี่ยอยากคิดเรื่องจเจริญให้เกิดเลยเหมือนาจว่าเราอยากจะไปประพฤติปฏิบัติกันทั้งหลายเนี่ยเราไม่เข้าใจเลยว่าโมหามีลักษณะอย่างไรเป็นต้นนถามว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าโมหะเกิดหรือปัญญาเกิดก็ไปเข้าใจโมหะเป็นปัญญาปัญญาเป็นโมหะก็สลับสลับกันอยู่งไรใช่ม ในที่สุดจริงๆก็ออกจากวัตฏะออกจากทุกข์ไม่ได้แล้วคนที่เจ็บปวดคือใครก็นี่กระแสะกังขันธาตุยะของท่านบุญ น, นั้นเองนี่เป็นอยังไงเน่คัมมัตทยาสัยก็สร้างเอเน่คัมมับารมีก็สร้างเน่คัมมัตทยาสัยเน่คัมมัตทยาสัยคืออะไรอัตยาสัยที่ปลีกออกจากกามก็หมายความบอกว่าต้องเห็นโทษของอะไรเห็นโทษของกิเลสกามและเห็นโทษของวัตถุกามกิเลสกามนั้นคืออะไร กิเลสกรมนั้นคือราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิขาหิริกานุตภะอุทจักความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นนี้ใช่ไหมนี่คือกิเลสกรรมวัตถุกรรมคืออะไรก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผสัสถามว่าการติดอยู่ในกรรมทั้งสองอย่างนี้เขาเรียกว่าคนไม่มีเนกข ม, มัตยาศส่ฉั้นคนมีเมฆเนกข ม, มัตยาศัยก็ต้องคนมีเนกขมา ร, รมีเอาเนกขมะา ร, รมีนั้นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญขนาดไหนเออต้องดูท่าน แม้แต่ท่านเริ่มตั้งความเพียรในการตั้งปฐมจิตในการที่จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องเริ่มบำเพ็ญเนคขมาบารมีแล้วเห็นไ้ยเพียงไม่กี่ชาติในชาติที่ท่านเป็นพระบรมโพธิสัตว์แล้วแต่เป็นอเนจตาเพียงท่านเกิดเป็นพระยาวินินที่ว่าเห็นช้างตกมันเห็นไมเห็นช้างตกมัน แล้วไปติดช้างพังวิ่งเข้าป่าเจ็ดวันแล้วช้างออกมาแล้วมาทดสอบดูว่าอี้นายควานช้างทํำยังไงทําไมจึงเป็นอย่างนั้นช้างเนี่ยฝึกมาดีแค่ไหนผลปรากฏว่านายควานช้างก็ใช้อุบายในการฝึกให้ดูให้จับก้อนหินเผาไฟแดงๆก็จับบอกไม่ให้ปล่อยก็ไม่ยอมปล่อยแล้วเป็นยังไงจนท่านสงสารช้างปล่อยช้างปล่อย ท่านก็บอกว่าโอ้โหราคะดำกิสนาหน้าลังเกียจนอบอกกามเนี่ยกิเลสกามหน้าเกียดมากขนาดนี้เฉยหรือพระแสงขอสับเป็นร้อยเป็นพันเอาไม่อยู่มนของมนของควานช้างเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากบังคับให้จับไฟแดงๆก็จับได้เหล็กแดงก็จับได้ แ, ด แ, ดไดแต่บังคับ ให้หมดราคะทำไม่ได้ยามราคาเกิดขึ้นแล้วสัตว์โลกทั้งหลายมืดมนโอนการหมดเลยไม่เห็นโทษของของอะไรทั้งนั้นไม่เห็นคุณของใครทั้งนั้นวลาราคาเกิดขึ้นแล้วไม่เห็นคุณของพระพุทธเจ้าไม่เห็นคุณของพระธรรมไม่เห็นคุณของพระสงฆ์ไม่เคารพพ่อแม่ไม่เคารพครูบาอาจารย์ไม่มีคุณธรรมอยู่ในใจ เวลาราคาของสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วเอาราคาดำกิริสนาเนี่ทําสัตว์ให้มัวเมาให้ให้เมามันให้สัตว์นั้นน่ะหลงไหลในวัตถุกรรมกิเลสกรรมทั้งหลายติดแน่นในรูปสียงข์กินรสสัมผัสราคาเป็นอย่างนี้ราคาน่าเกลียดมานราคาเป็นโทษราคาประกอบสัตว์ไว้ในภพราคาเป็นเครื่องโผราคะเป็นเชือกที่โยงสัตว์ที่ติดแน่นในสังสารวัฏเห็นไหม อัตาตรงนี้มันชัดในใจนั่นท่านมาคิดคๆๆค ค, คมากๆ ก, ก็เนี่ยภาวนานเกิดอัตถามันชัดแล้วท่านโอ้ไม่ไหวแล้วถ้าตราบใดยังอยู่ในวัตถุกรรมอย่างนี้วัตถุกรรมเหมือนเหมือนก้อนเสเลตแท้ไอ้เสเลตตนี้มีแต่คนขาดปัญญาเท่านั้นที่จะกืนกินเสเลตของสกปกมีแต่คนเขาทมทิ้ง เขาสลัดทิ้งเอ้ยเรายังจะมากลับมาเกืนกินเสลิดเกืนกินน้ำหนองมันน่าลังเกียจจงจริงเอ้ที่ผ่านมาเรากินได้ยังไงเนอะเราเกินกินไปได้ยังไงเนี่ยมันเห็นโทษไงเห็นโทษก็ออกทําไมเราไม่สังวรระวังทําไมเราไม่คิดออกท่านก็หลุดได้เลยเข้าใจไหมฮะการคิดของท่านท่านคิดอย่างนี้ท่านไปตรึกอย่างนี้ไปคลาคร้วนอย่างนี้ไม่ใช่ว่า ฟังปับ๊บเลวท่านไม่คิดอะไรเลยฟังแล้วก็มึนมึนมึนมึนเงี้ยไม่ใช่เลยนะฟังแล้วท่านเอาไปคิดต่อใครควรพิจารณาไตรตรองในสุดเห็นถามว่าวของอะไรที่ไม่เข้าใจตองมามาถามว่าไอ้มาเคยถามหลายคนนะวะ่าถามว่ากว่าคุณจะอายุมาปูนเนี่ยคุณคิดเรื่องวัตถุกรรมน้อยไหมกว่าคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตที่ทั้งโลกที่คุณเขาพูดกันเนี้ยก็บอกไม่น้อยเลยท่าน ผมนั่งคิดเป็นวันเป็นคืนบางทีผมแทบไม่ได้นอนเนียเพราะวัตถุการเนี้ยผมคิดจนลืมกลางวันลืมกลางคืนเลยบางทีทํางานหน้าดําครื่ําเครียดจนลืมเวลากินข้าวว่างั้นจะลืมเวลาอุตอนนี้มันกี่โมงแล้วบางทีลืมอาบน้ําก็ถามบอกว่านั่นแหละเวลาคุณมาไครควรขันาธาตุอุญตนะ ให้ควรคุณของพระเจ้าเอาให้คุณลืมอาบน้ําเลยเลืมกินข้าวเลยนั่นแหละมันถึงจะเพียงพอก็คุณฝังกิเลสไว้แน่นขนาดนั้นเน่ยคุณจะถอนแบบเบาๆมันเป็นไปได้งไงก็คุณตอกตะปูความคิดของคุณไว้อย่างแน่นแล้วความคิดในวัตถุกรรมอ่ะนี่คุณจะมาถอดคุณเอาตะปูต้องเป็นศอกๆแล้วตอกเป็นพันๆเล่ม ล, ล้านๆเล่มแต่คุณเอาคอรเล็กๆ เ ป, ป็งัตปูไม่ทำเป็นเด็กเล่นขายของได้ไงใช่ไหมปริมาณมันไม่เท่ากันแล้วในสังสารวัตที่ผ่านมาเห็นไหมในสมมาประทานเนี่ยท่านถึงพูดไงสมมาประทานเนี่ยที่มีองค์สี่เนื้อและเลือดจงเหือดแห้งหายไปเถอะคือเนื้อเนี่ยมันหายไปช่างมันจะผอมก็หลองกองอยังมัน เลือดมันจะหมดสิริล่ะก็ช่างมันหนังเอ็นกระดูกเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้าไม่ได้อิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งคือไม่ได้ฌานอภิญยามากผลไม่หยุดท่านตั้งแบบนี้ท่าไม่ได้อนุปาทานปรินิพานถ้าชาตินี้ไม่ได้ท่านจะเอาชาติหน้าชาติหน้าไม่ได้ท่านจะเอาชาติต่อไปชาติต่อไปไม่ได้ ท, ไไดท่านจะเอาพบนี้ไม่ได้ท่านจะาพบหน้า อีกล้านพบไม่ได้ลพบที่หนึ่งล้านที่หนึ่งล้านเป็นต้นเนี่ยจะจ ะ, จะเอาให้ได้กลับหนึ่งไม่ได้กลับที่สองจะเอาให้ได้เขาเพีย้ยนเขาต่างอย่างนี้รู้ปะ่ะหนึ่งสงไขไม่ได้เอาสองสองไม่ได้จะเอาสามจะต้องบรรลุให้ได้ถ้าไม่คิดอย่างนี้เพระโพธิสัสว์จะเกิดขึ้นไหมไม่ได้เกิดไม่ได้ท่านท่านคิดของท่านท่านวัด ไม่ใช่ว่าท่านทําแบบไม่มีแผนงานอย่างที่ได้กล่าวท่านวางแผนท่านไปขีดตารางชีวิตของท่านหรือว่าท่านจะเดินยังไงนะเพราะวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเราเนี่ยถ้าจะทำโพธิ์ทีใใจ่จะปลูกหน่อโพธิ์ที่ในใจอ่ะใช่ไหมจะปลูกหน่อโพธิ์ที่ในพอยในใจเนี่ยก็ต้องดูว่าตอนนี้หน่อโพธิ์ที่เนี่ยมันมันมันมันขึ้นนี่อย่งเริ่มแทงดินนี่อย่งใช่ไหมแกปลูกปลูกไม้ปลูกผลไม้อะ่ะเอาฝังลงไปในดิ น, นมันขึ้นหรือยังไปดูที่ ถ้าไปดูแล้วแล้วเป็นไงรดน้ํารวนดินไงแล้วมันเริ่มแทงดินขึ้นไหมยังไม่ไดพอเริ่มแทงมาแล้วโ อ, พอว้พอแล้วพอแล้วแล้วไม่ยอมดูแลต่อก็ตายใช่ไหมแล้วก็เหี่ยวตายตรงเนี้ยต้องดูด้วยนเน่คัมมาบา ร, รมีก็คือสร้างเน่คัมมาเทียาาสายวิริยะบา ร, รมีสร้างอะไรนิสตระนัทนิสตระนัทชาสยะคืออัจิยาสัยการออกจากภพต้องใช้วิรยิยะใช้สัจจะและใช้อธิษฐานนะนี่ ใช้บารมีสามตัวนี้วิริยะบารมีตัววิริยะบารมีลองสังเกตดูที่บารมวิริยะบารมีเนี่ยเขาจะเห็นโทษให้ไปดูองคุณของวิรยิยะในความเพียรพยายามทั้งหลายเราเนี่ยเนะี่ยคือคนที่มีระดับความเพียรค่อนข้างดีเนี่ยเช่นวิริยะเนี่ยจะอยู่คู่กับสติอยู่คู่กับปัญญาเสมอมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเห็นไหม ให้สังเกต ด, ดูว่าถ้าปัญญาเนี่ยนะปัญญาไปวิจัยมิจฉาทิฐิไปวิจัยสัมมาทิฐิตัวปัญญานั้นไปเพื่อวิจัยเพื่อจะละเพื่อรู้ว่านี้คือมิจฉาทิฐินี่คือสัมมาทิฐิปัญญาจะทจํากิจในการวิจัย